ในขงค์สว่วนเราที่มักมี อ, องค์แปดนะนะพูดง่ายๆก็คือเรื่องทางสายกลางนะทางที่ไม่สุดโตกทั้งสองด้านทางที่สุดโตกด้านหนึ่งก็คือกา ร, รว่าติตดในกลามวิญญาณนะ ทางตรงด้านหนึ่งก็เป็นการบังคับกดข่มมากเกินไปนะ่ะเครียดนะ่ะทางหนึ่งก็แบบติดในความสบายติดในความสุขทางหนึ่งก็ไปบังคับจนเครียดจนทุกขนะ์ถ้าทางใจกลางเนี่ยมันคือพอพอดีแล้วก็มัเป็นทางที่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับทั้งสองด้านนะ่ะก็ตามที่เราได้สวดนั่นแหละ บาทีเราก็อ่านเล่นๆไปบ้านก็ได้นะเอาเหมือนเอาไว้เป็นตัวความรู้เป็นความจำเนะี่ยเอาไว้เตือนตัวเองนะบางทีเวลาเราเผลอเนะี่ยสติเนะี่ยมันก็จะหลงลืมเนะี่ยทางส่กลางไปทีเราก็ังได้เตือนตัวเราเองนะเวลเราคิดนะคิดไม่ถูกต้องนะคิด พยายามคิดเบียดเบียนคิดในทางการมกระทำนยเราไปได้เกิดในเองเออเรากำลังหลงทางก็ห uh นีนะหรือเวลาเราพูดนะเวลาคําพูดมันสอดเสียดมันเพ้อเจ้อนะพูดคํำยาวนะพูดไม่จริงนะเราได้เกิดในเองไหเราทําให้ถูกก็หนีนะหรือการกระทําต่างๆนทุกอย่างเลยนะมันก็ เอาไว้เหมือนเป็นข้อมูลเอาไว้สองแต่เองเอาไว้เตือนแต่เองนะเออคือไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่ามันจะต้องเป๊ะๆทุกอย่างนะแต่เอาไว้ว่าเรารู้ว่าอ๋อแบบนี้มันผิดเราก็จะกลับมาสู่ทางที่ถูกคือเวลาในภาพปฏิบัติจริงๆนะเราอย่าไปกลัวผิดมากนะ คือบางทีเราหลายคนปฏิบัติจะไปปฏิบัติแบบรัวผิดนะอยากจะถูกนะอยากจะดีนะไม่อยากไม่อยากปฏิบัติเรามันมีแต่ความไม่อยากปฏิบัติแบบหลงหรือเสียเวลาเนื่นช้านะแต่มันจะเป็นการเหมือนคล้ายๆมันอยากมันอยากได้ดีมากเกินไปมันอยากจะถูกนะ กลัวมันจะผิดไงเฮยแม้บางทีเราปฏิบัติแบบอืมเราก็จะเอานงะจะเอาอย่างเดียวนะหรือบางทีก็ปฏิบัติเหมือนอยากจะได้นะอยากจะให้มันรู้เร็ ว, รวๆอยากจะเอาแต่ได้อย่างเดียวนะแต่การปฏิบัตินะมันเป็นเหมือนการเรียนรู้ฮนะมันเหมือนในการเปิดใจสักหน่อยแล้วก็ กล้าทําำกล้าทําแล้วก็ทําไปมันจะเข้าใจเองเออมันถูกมันผิดอย่างไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าแบบเรากลัวผิดอน่ยมันจะคละ้ายๆเหมือนคล้ายๆเหมือนคนไทยหลายคนนะที่แบบบังทีเราเรียนภาษาอังกฤษนะเรียนมาหลายปีนะแล้วเรากติดที่เรื่องแกมมาแล้วเราก็เรียนไม่กล้าพูดเ <c oughs> พราะเรากลัวกลัวพูดผิด กลัวพูดผิดแกมม่าบ้างกลัวสำเนียงไม่ถูกต้องบ้างก็เลยไม่กล้าพูดพอไม่กล้าพูดมันก็เลยก็เลยพูดไม่ได้นี่ยเรียนมาเยอะแต่แต่ใช้สื่อสารไม่ได้เวลาประคาวนาเองก็เหมือนกันบางทีต้องดูมันมีความกลัวผิดไหเนี่ยกลัวไม่ดีไหมนี่กลัวไม่ถูกต้องไหเนี่บางทีอยากแต่ อย่าไปถูกกังวลนะกังวลกลัวมันจผิดนะให้เราให้เราดูนะที่จริงปฏิบัติธรรมมันมันธรรมดานะมันเรียบง่ายมันมันเป็นธรรมชาตินะ่ะมันผ่อนคลายธรรมดานี่แหละนะไม่ได้ว่าต้องไปทำอะไรให้มันฝืนธรรมชาตินะเราก็ ผ่อนคลายเป็นธรรมชาติธรรมดาคือมีความผ่อนคลายนั่นแหละธรรมชาติไม่ใช่คือไล่ไปกับความฟุ้งซ่านอะไรแบบนั้นนะคือธรรมชาติคือเหมือนเหมือนเราแบมือนะสมมติเราแบมือมันก็คือมือถ้าปกติคือมันก็แบ่แบ่อยู่ใช่ไหมมือเราไม่ได้เป็นพิการที่จะต้องหีกก็ต้องมองมันก็แบ่แบ่อย่างตอนนี้ เราจะวางคว่ำไว้หรือเราจะแบงหงายขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเออมันธรรมชาติธรรมดานะลองเรากลับมารู้สึกที่มือรู้สึกติ๊กมือที่สัมผัสนีออ่มันธรรมดานะธรรมดาแต่ถ้าเราแบบพยายามเหยียดให้มันตรงลองลองเหยียดให้มันตรงให้มันคื น, ค น, คน แรกๆมันก็ทำได้นะแต่ถ้าทำนานๆไปมันจะเกรงใช่ไหมมันจะเกรงแล้วก็จะเมื่อยใช่อห ม, อมหรือถ้าเรากำนะกำแรกๆนะมันก็โอเคมันก็อยู่ได้แต่พอเรากำไปนานๆนะห้านาที1ินาทีมันก็จะรู้สึกเออเหไหมมันใช้กล้ามเนือ้อมันก็จะเมื่อย เมื่อ ก, กาดที่พายธรรมดาอันนี้แหละนะจิตใจที่ธรรมดาเหมือนกำมือที่มันมันแบรลปกติเนี่ยแหละนะไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรก็ปล่อยเป็นธรรมชาติแบบนั้นแต่เราก็รู้ตัวมีความรู้ตัวในขณะที่แแปลงอยู่แบบนี้ก็รู้ตัวแต่ถ้าบางทีเราไปเกรงให้มันตึง ถ้ามันอยู่นานๆก็จะเมื่อยไปกรนะนานๆมันก็จะเมื่อยแบบนี้นะมันก็จะเจ็บนั้นเวลาเราปฏิบัติก็เหมือนกันนะให้เราสำรวจตัวเองนะนะสำรวจสังเกตดูตัวเองนะร่างกายผ่อนคลายไหมนะจิตใจผ่อนคลายไหมนะเป็นธรรมดาไหมนะ มีส่วนใดตึงมีส่วนใดเกร็งนะเราก็ปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะให้มันแบบเป๊ะตลอดถูกตลอดดีตลอดไม่ใช่นะแต่เราเหมือนคล้ายๆค่อยๆเห็นนะค่อยๆเห็นข้อบกพร่องค่อยๆเห็นข้อผิดพลาดนะมันก็ค่อยๆขัดค่อยๆเกาไปนะเออมันก็ เมือนบางีแรกๆ ก, ก็บางใจสบายๆแล้วนะแต่พอทําไปเรื่อยๆอ้ามันเริ่มเอาจริงเอาจำมันเริ่มอยากได้เนะี่ยมันเริ่มกลัวหลงมันเริ่มกลัวไม่ดีอย่างนี้นมันก็จะตึงขึ้นอ้อก็อเห็นนะมันเริ่มตึงขึ้นพอเริ่มเห็นมันก็ผ่อนคลาย น, ะออนาย่ะผ่ อ, อนคลายพอผ่ อ, อนคลายมากไปบางทีก็อ้อฟุ้งซ่านเอคิ ด, น, ดนั่นคิดนี่เอ้าวพอมั ผ่อนเกินไปก็พุ้งเอา้าก็ตั้งใจกลับขึ้นมาสักหน่อยเหมนนีต้ตั้งใจกลับมาสักหน่อยมันค่อยๆปรับนะสนุกอ้อเดี๋ยวก็พอดีเดี๋ยวก็ตึงเดี๋ยวก็หย่อนเอนี่ยเออมันก็เห็นนะคือเห็นมันถูกเห็นมันผิดถูกเราก็เห็นผิดเราก็เห็นอ่าดีก็เห็นไม่ดีก็เห็นนะ มีแต่สภาวะที่เห็นนะไม่ใช่ต้องไปทำนะทำให้มันถูกนะ อ, อ, อย่าไปทำมันผิดเองเนะี่ยมันจะมีแต่มันจะกลายเป็นความแบบไปบังคับเกินไปไปกลัวเกินไปนะแต่ก็มันผิดไปแล้วก็เห็นมันถูกเราก็เห็นนะมันคดีเราก็เห็นมันผ่อนคลายเราก็ มันฟ่อนคลายพอดีหรือมันตึงเกินไปเราก็เห็นนะพอเห็นแล้วมันจะคลายออกมามันหย่อนเกินไปมันคิดเกินไปนะก็เห็นนะเห็นแล้วมันก็จะกลับมาของมันเองนะนอกจากว่ามันสุดโต่งมากเกินไปแบบนี้นก็ใช้ตัวช่วยสักหน่อยอบุนะ้งร้างมากกออ็ทั้งใจมากขึ้นนะหรือเอาอีเดียบทอื่นมาช่วยเสริมนะ เดินไปกุ้งมากใครก็กามือแบบมือเสริมเนะี่ยให้มันเหมือนกลับมาเร็วขึ้นแต่พอมันเริ่มง่ายๆแล้วก็ปล่อยเนะี่ยรู้แต่เดินอย่างเดียวก็พอละอืเวลามันเครียดบางทีก็ที่มันทําในรูปแบบมันเครียดบางทีก็ทิ้งไปก่อนนะทิ้งรูปแบบไปไปเดินเล่นๆไปกวาดอ่าใบไมนะ้อะนี่ เดินผ่อนชายสบายๆให้มันคลายความตึงเครียดออกไปจากใบหน้าคลายความตึงเครียดออกไปจากจิตใจอย่างนะี้เนาะหรือบางทีปฏิบัติไปแล้วมันเบอเนะบอรนะเบอรเบอร์จิตใจมันเบอเบอรนะตาก็เบอเบอรนะไม่รู้ครึ่งรู้ครึ่งหลงนะก็ไปล้างหน้าล้างตานะไปทําอะไรให้มันสดชื่น จะหายใจเข้าหายใจออกให้มันสดชื่นขึ้นก็ได้นะมองไกลๆมองทำตาโตๆยิ้มๆให้มันตื่นขึ้นมาก็ได้นะอย่าไปแบบจมในความเบื่อนะมันซึมๆเบื่อๆนะมันมันจมลงไปอะ้วก็ทำให้มันสดชื่นขึ้นมานะปลุกตัวรู้ให้มันกระโดดออกมา เนี่ยปลุกใจออกมานี่คือมันเหมือนค่อยๆเรียนรูนะนะการปฏิบัติทำจริงเป็นการเหมือนเรียนรู้นะเรียนรู้จากทั้งถูกและผิดนะดีไม่ดีนะเรียนรู้ทั้งนั้นเลยนะไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ดีอย่างเดียวนะมันจะกลายเป็นกลัวไม่ดีนะเนะี่ยถ้าเราทำแบบท่าทีด้วยการเรียนรู้นะมันจะมันจะ เรีกว่าสนุกในการปฏิบัตินะ่ะออมันมีแต่ปัญญาทั้งนั้นเลยนะเห็นมันผิดนะก็เป็นปัญญาเ อ, อเห็นมันถูกก็เป็นปัญญา <c oughs> นะแต่คร น, นี้ก็ต้องวางอีกอย่างนะบางทีคือพอมันถูกแล้วนะมันจะไปประคองโ อ, อ้ยทําแบบนี้ยกมือแบบนี้ อ, อยกบาบาๆแบบนี้พอดีนะเดินบาบาๆแบบนี้พอดี ระวังมันจะกลายเป็นการพยายามจะเดินให้มันเบายกให้มันเบาแบบนี้เอะจังหวะนี้พอดีอรักษาจังหวะแบบนี้ไว้แหละนะมันก็เป็นการเหมือนไปไปจงใจเกินไปนะต้องดูนะแต่ถ้ามันแบบถ้ามันมีความผ่อนคลายจริงๆนะเออมันจะจังหวะพอดีของมันเองนะคือมันมันต่างกันคือเรื่องในใจที่มันผ่อนคลาย พอยกไปพอเดินไปมันจะพอดีแต่ถ้าเราเริ่มไปอยากก่อนอยากให้มันดีอยากให้มันพอดีอยู่นันะมันเป็นกมันความอยากมันพาทำเรื่อก็จะทำท่าให้มันพอดีมันมันมันก็ละเอียดนะปฏิบัติธรรมนี่มันโอ้มันละเอียดจริงๆนะละเอียดเอาพ่อขงเกียนบอกปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่อง ธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกกรับนะแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งโอมันก็จริงยเี้มันมีความละเอียดอ่อนมีความลึกซึ้งอยู่นะถูกผิดนะบางทีนะเส้นผมบางพภูเ ข, ขานิดเดียวนะ อ, อห่างกันนิดหนึ่งนะแต่มันค่อยๆเห็นนะค่อยๆพัฒนาไปนะที่จริงมันเหมือนเราเรียนรู้พัฒนาเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันเหมือนเราก็ฝึกไปเรื่อยๆ ฝึกไปเรื่ยเราก็ค่อยๆเห็นอ๋อมันผิดพลาแบบนี้นะอะอย่างเราทำอาหารนะเราทำวันแรกมันก็รสชาติก็อ ย, ยังไม่เข้าที่เข้าทางน ะ, นะพอเราค่อยๆชิมค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆอ๋อก็เริ่มรู้ละเออมื่อวานนี้ใส่เกลือมากเกินไปเมื่อวานนั่ น, นใส นั่นแต่นี้น้อยเกินไปอยู่ไหมเราก็จะรู้สึกเออวันนุ่มขึ้นเราทําใหม่แล้วก็ค่อยๆปรับก็ชาตไปมันก็จะกลายเป็นความพอดีเนะี่ยกลายเป็นความชํานาญมากขึ้นภาวนาก็เหมือนกันนะสนุกสนุกสนุกแบบค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาไปนะเจ้าดีวันแรกเลยเจ้าถูกตลอดเลยนะมันก็ไม่ใช่นะ่ะ ค่อยๆเรียนดูค่อยๆปักไปก็จะเห็นอ๋อเห็นความผิดพลาดเนะี่ยเห็นความหลงเนะี่ยไม่แต่บางทีการใช้ชีวิตนะบางทีเราก็ธรรมดาเนี่ยแหละนะมีสติอยู่นะีมีสติอยู่แต่ถ้าบางทีมันเผลอไปนะเผลอไปแล้วอืมก็แค่รู้ว่าเผลอะพอรู้ว่าเผลอแล้วมันมันก็แค่นั้นแหละนะ ไม่ต้องไปโทษตัวเองที่อไม่น่าเถอดไปเลยไม่น่าโกรธไปเลยไม่น่าพูดไปเลยอะไรแบบนั้นนะอ่ะก็แค่รู้สึกตรงนั้นเพราะความไม่น่าเนี่ยมันจะไปโทษตัวเองอโทษตัวเองโทษตัวเองที่ไม่ดีโทษตัวเองที่ทําผิดนะหรือบางทีก็โกรธตัวเองนะไม่น่านะกนะ็แค่รู้นะแค่รู้อเถิดไปได้นะรู้นะเอินี่คือเราก็รู้หมา เดี๋ยวบางทีเราปฏิบัติไปนะบางทีความคิดมันก็เข้ามาแทรกนะเข้ามาแทรกนนิดๆหน่อยๆมันก็แทรกนะก็ตบกสินะบางทีพอทําแบบนี้มันก็คิดเออถูกแบบนี้ผิดเนี่ยมันก็ที่มันบอกว่าถูกหรือผิดเนี่ยก็ความคิดนะแต่มันก็ถ้าเราเออแค่เห็นว่ามันคิดแค่นั้มันก็จบนะเออพอละแต่ให้รู้ว่าที่จริงเนี่ย จิตเนี่ยมันคิดบ่อยมากอืมทําแบบนี้ดีทําแบบนี้ไม่ดีเอ้ยแบบนี้มันฟุ้งไปแบบนี้มันพอดีนะบางทีจิตมันก็พูดในใจนิดๆหน่อยๆมันก็เอาแหละแต่บางทีเราก็บังคับไม่ได้นะเราก็ดูมันเออมันมันอยากจะคิดก็เรื่องมันนี่เออเราก็แค่ดูมันก็จบมันก็แค่ถ้ามันจะคิดก็แค่ไปเนี่ยคำสองคามันก็จบแต่ให้รู้ว่า แบบนี้ก็คือการคิดเหมือนกัน <c oughs> จะเห็นโอ้ความคิดนี่มันเอานะเล็กเล็ ก, ลกน้อยน้อยมันเอานะมันปลามันตอดนะตอนนิดตอดหน่อยเอาเหมด น, นะเราห้ามัไม่ได้นะแต่เราก็แค่รู้ทันมันมบางคนไม่รู้วันวันหนึ่งไม่เห็นคิดอะไรเลยนะปฏิบัติไปไม่มีมีความคิดอะไรเลยนะแค่สงสัยนิดหนึ่งเออสงสัยนิดหนึ่งก็คือความคิดแล้วนะ อหรือไปภาคในใจนี่ก็คือความคิดแล้วนะแต่พูดแบบนี้ไม่ใช่ว่ากลัวไม่อยากให้มันไม่คิดนะโอ้เดี๋ยวมันจะเครียดนะแค่ให้รู้อ๋อจิตมันภาคนี่ก็คือความคิดนะเออไม่เป็นไรคือหลงเราก็รู้เออมันคิดเราก็รู้เนี่ยสบายๆนะอย่าไปแบบเออไม่อยากเนี่มันคิดเลยไม่อยากให้มันภาคเลยเออ ไ, มไม่ได้นะมันภาคของมันเองให้เราดูเออมันเป็นของมันเองนะเออ มันคิดก็คิดของมันเองเห็นไหมหรือบางทีมันก็ไปเนี่ยบางทีได้ยินเสียงเกิดขึ้นมาปุ๊เน่จิตมันไปสนใจฟังเสียงข้างนอกแล้วเอออืมแอบคลองหลงไันิดเดียวนะหลงไปอืมก็ไม่เป็นไรก็รู้นะหรือตามันอยากจะไปดูอะไร ไม่ใช่ตามอยากดูนักใจอยากดูเขาบอกเลยพาตาไปเนี่ยก็เห็นเนาะเนี่ยนะหรือมันเชงคิดตะกอะไรขึ้นมาในใจอืมก็ดูมันนะคือความหลงนี่มันนิดๆหน่อยมันก็เกิดขึ้นมานะอืมเราก็ดูมันนะคิดอยากจะพูดเอก็เห็นมันเห็นมันไม่เป็นไรนะก็คือ ก็ดูเออมันคิดขึ้นมามันอยากขึ้นมาเลยรเนาะคือสติมันก็มันก็จะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจนะกายเนี่ยมันก็ถ้าเรารู้รวมๆทำแบบผ่อนคลายนะไม่ไปโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งเกินไปเนะี่ยเราจะเห็นกายส่วนอื่นด้วยนะยกมือไปนะบางช่วงเนะี่ยคันกรพิบตา เราก็เห็นที่ยิงในแต่ละนาทีนี่มันก็กระพริบตาไหยนะบางครั้งก็เห็นการหายใจเวลาสูดลมหายใจแรงๆเลยเนะี่ยขึ้นมาก็เห็นลมหายใจบางทีตัวมันเอนเนี่ยก็เห็นลมพัดถูกมาก็เห็นแต่ถ้าเราไปโฟกัสบางส่วนมากเกินไป มันก็จะเห็นแต่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งอืมเห็นแต่มือที่มันยกไปยกมาเห็นแต่ขาที่มันเดินเหยียบไปเหยียบมานะแต่ส่วนอื่นเนี่ยเหมือนไม่สนใจเลยนะนะอืมอันนั้นมันจะเป็นสมาธิมากเกินไปเราต้องออกออกผ่ อ, อนผ่ อ, อนสักหน่อยผ่อนสมาธินิดนึงนะทําแบบรู้ตัวแบบลมดวงสบาย แต่ก็ไม่ใช่ว่าส่งจิตไปรู้ที่นั่นที่นี่นะแต่จิตมารู้ของมันเองนะถ้าเราผ่อนคลายลมันจะเหมือนเหมือนเรานั่งสบายๆนั่งเร้นเร้นนะเสียงที่ไหนเกิดขึ้นมาเราก็ได้ยินนะอืมมันไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าบังคับให้มันไม่ได้ยินเสียงนั้นจะเอาแต่เสียงนี้นะจะรู้แต่อันนี้ไม่รู้อันอื่นเลยนะอันนั้นเป็น มันเป็นโฟกัสเข้าไปนะมันเป็นสมาธิแบบเพ่งเข้าไปสมาธิแบบสมาสมาธิเนี่ยมันเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้นะกิ่งใดเกิดขึ้นในกายในใจก็รู้นะมันไม่ใช่รู้พร้อมๆกันนะเพราะจิตมันไปรู้พร้อมๆกันไม่ได้แต่มันตัวใดก็เด่นจิตเขาก็รู้ กายเด่นนจิตก็รู้เวทนาเด่นจิตก็รู้ความคิดหรือกิเลสก็เด่นนจิตก็รู้ธรรมารมเด่นนก็จิตเป็นผู้รู้ะจิตที่มีสติเนี่ยรู้รู้แล้วก็จบนรู้แล้วก็ดับไปนแล้วก็ไปรู้ใหม่เรื่อยๆรู้ใหม่เรื่อยๆแบบนี้นะนะแล้ก็จะเห็นว่า ในการในใจไม่มีแสดงอะไรหลายอย่างเยอะมากนะแต่ร้วนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับลงทั้งนั้นเลยนะตาเห็นรู้ปุ๊บจบหูได้ยินเสียงปุ๊บจบแต่บางทีมันไม่จบมันก็ไปต่ อ, อต่อเป็นอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบนะเราไปปรุงแต่งต่อแต่การรู้เนีะก็นะนะบางทีก็รู้เฉย ไม่ให้ท่าเขามีตรงทีก็รู้ออกเป็นสัญญาอันนี้เนะี่ยคําพูดคาจาความหมายว่าอะไรเนะี่ยอันนี้เรียกว่าอะไรมันก็รู้เป็นสัญญาก็ก็จบให้ตรงนั้นก็ได้นะแต่บางทีไอ้ตัวที่มันจะไปปรุงแต่งต่อนะี่คือมันมีเวทนามีความสุขมีความทุกข์เนะี่ยมีความชอบมีความไม่ชอบนะ่ะมันก็ไปกับมัน มีความยึดติดคือมันเข้าไปก็กลายเป็นเราเป็นของของเราแต่ถ้าเราดูดีๆนะเออมันก็เป็นตักแต่ว่ามันนะเช่นมันคิดเนี่ยเออมันคิดของมันเนาะจิตมันคิดแต่ถ้าเราไม่ดูมันดีๆอ๋อมันจะกลายเป็นเราคิดเอเราคิดดีเราคิดไม่ดีอะไรนะอ๋อมันเป็นเราเนะนี่คืออุปทาน ความคิดก็ศักดิ์ตว่าคิดเนี่ยแต่พอเราไม่รู้ทันเราก็ไปยึดความคิดเป็นเราความสุขความทุกข์ก็เหมือนกันมันก็เป็นศักดิว่าของมันเนแต่ถ้าเราไม่รู้ทันเราสุขอพอเราสุขก็กลายเป็นเราชอบเราก็อยากจะรักษาความสุขไว้เนี <c> ่ย <ười> ความสุขมันหายเราก็เสียใจกล า, ายเป็นเราเราเสียใจไม่ดีนะ ก็เกิดความอยากนะอยากจะได้แบบนี้อีกอะไเนะนะบางทีเราปฏิบัติเคยเนาะบางทีตอนนี้ปฏิบัติ ด, ดีอพอมาตอนบ่าย อ, อยากจะดีแบบตอนเช้านะอะไรเนาะตอนเช้าไม่ง่วงนอนรู้สึกตัวดีตอนบ่ายยังง่วก อ, อยากได้แบบตอนเช้าอะไนะบางทีปฏิบัติแล้วเบาสบายอเอาแบบนี้แหละเอาแบบนี้แหละ อพอความเบาความสบายหายไปก็หามันอืมทำแบบไหนถึงจะเบาทำแบบไหนถึงจะสบายแบบข่าวนั้นหน้าอะไร้นี่ยหรือบางทีมันรู้ละเอียดนิ่งเลยจิตมันนิ่งรู้นั่นรู้นี่ละเอียดว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทำยังไงต่อจะได้แบบนั้นอีกเออเ น, นี้ยความอยากนะความอยากมันมาบงการแนละ้วให้เรารู้ทำนะ รู้ทันมันอมตอนที่รู้ทันว่ามันอยากเจะได้แบบนั้นมันเสียได้หรือมันพยายามรักษาไว้น่าแหละนะี่คือเหตุของความทุกข์นะความอยากต่างๆอยากดีนะี่อยากรู้ไม่อยากหลงนะี่กลัวผิดนะี่อยากคูก็ความอยากนี่เองอนเนาะ ถ้าเราดูแบบเล่นๆสบายๆมันก็รู้ไปเรื่อยๆนะทำเบาก็ได้ทำแรงก็ได้นะอืมช้าเร็วก็ได้นะเคลื่อนหยุดก็รู้นะเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้อืมก็รู้ไปจิตใจก็สบายสบายผ่อนคลายแต่ไม่ได้ไปหลงในความสบายนะักแต่แต่ถ้าเราดูนั่นมันจะมันจะมีความผ่อนคลายมีความเป็นธรรมชาตินะ การนั่งก็พอดีใบหน้าก็พอดีการเดินก็พอดีนะจิตใจก็รู้สึกเป็นธรรมดาธรรมดาธรรมดาคือไม่ตึงเกินไปนะไม่ไปโฟกัสมากเกินไปนะธรรมดาคล้ายๆเหมือนกันกบเราเหมือนกับเราจะถ่ายรูปนะเราไม่ได้โฟกัสจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็อืม มันเด้งแบบภาพุมรูแบบนี้เนาะแต่สติมันเป็นหน้ารอบกว่าการถ่ายรูปถ่ายรูปมันแค่ร้อยแปดสิบองศานะมนวัดมันมันเป็นเส้นตรงเหมือนกว้างๆแบบข้างหน้าแต่สติเนี่ยมันรอบนะรอบตัวมันรู้รอบตัวนแล้วก็ไม่ใช่รอบตัวแต่กายนะมันรู้รอบทั้งกายรู้รอบทั้งใจนะ มันนอกทั้งข้างนอกแล้วก็ข้างในนอะไรเขาเด่นออรติก็เห็นนเห็นเนี่ยมันมันเหมือนจะว่าเป็นจุดตรงกลางที่เห็นรอบๆก็ได้หรือว่าจะมันเหนือขึ้นมาแล้วก็มองลงไปข้างล่างเห็นหมดก็ได้มันมันไม่มีคําอธิบายนแต่มันเพียงแต่ว่าเออมีแต่เออมันรู้ะ ผิดก็รู้ถูกก็รู้ดีก็รู้ไม่ดีก็รู้นะเออมันมีแต่สภาวะที่รู้ทุกอย่างนะมีแต่ดูทุกอย่างนะไม่เป็นไรอะไรจะเกิดขึ้นมาก็ดูดูดูดดนะนี่คือใจมันเป็นการไปเรื่อยเรื่อยเราก็สะสมสภาวะที่ดูที่รู้แบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะสะติมันก็จะกลายเป็นมหาสตนะิเป็นสติปัฏฐาน เนเป็นมหาสติปัฐานเนี่ยมหามีกำลังมากเนยจิตมันก็จะเกิดสภาวะตั้งมั่นอืมมีสติเนี่ยละสุขละทุกข์เสียได้เนะยมีสติอแล้วแลอยู่เนี่ยแลดูอยู่ทุกทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามีอะไรก็ดูมันนะเห็นมันเข้าใจมันออ อาการเป็นแบบนี้นะรูมาเป็นทุกข์แบบนี้นาเป็นทุกข์แบบนีนะ้อันนี้จังทุกขังหน้าตามมาแสดงแบบนี้อันเนี้ยเกิดดับมาแสดงแบบนี้นะเออเราก็เห็นเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าใจการพ้นทุกข์นี่ไม่ใช่เราพ้นทุกข์นะจิตมันพ้นทุกข์จิตมันมีสินขึ้นมา มีความเรียกว่ายั้งใจได้ในการที่จะไม่ทำผิดศีลจิตมันมีสมาธิขึ้นมามันตั้งมั่นเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูขึ้นมาจิตมันมีปัญญาเมันเห็นความจริงมันเข้าใจความจริงมันยอมรับความจริงเมันปล่อยวางได้จิตมันมีความปล่อยมีความวางปฏิบัติทำจริงๆนะมัน ไม่ใช่เราได้อะไรนะแต่จิตมันรู้จิตมันฉลาดจิตมันมีปัญญาจิตมันค้นออกไปเนะี่ยนี่คือมันเป็นเรื่องของจิตใจทั้งนั้นเลยนะแต่ก็เกี่ยวข้องกับร่างกายนั่นแหละนะร่างกายก็ต้องมีมีแต่จิตอย่างเดียวมันก็ทําอะไรไม่ได้นะก็มีกายมีใจนะเราก็พัฒนาเนี่ยแหละนะพัฒนาสติปัญญาขึ้นมาจับ อาศัยกายอาศัยใจนี่แหละนะเป็นตัวพัฒนาอาศัยธรรมชาติเนี่ยแหละในการเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะอืมกิเลกก็ดีก็จะเห็นมันน่ะกุศลก็ดีก็จะได้เห็นมันนะ่ะนนนะอันนี้คือมีแต่สภาวะที่เห็นไปเรื่อยๆ ไ, นะไปเรื่อยๆนะก็ทําไปเรื่อยๆนะรู้ไปเรื่อยๆนะอย่าไป กดดันจนเคร่งเครียดแต่ก็อย่าไปย่อนจนขี้เกียจไม่ทำอะไรเลยนะมันเป็นการกระทำแต่ทำแบบไม่ได้มีน้ำหนักทำแบบไม่ได้แบบเป็นภาระนะทำแบบสบายๆทำแบบเรื่อยๆเนี่ยนะนะมันจะรู้สึก ม, มันก็จะทำง่ายๆนะ แล้วก็ทำในเป็นนี้เรื่อยนักก็ปากไว้สาธุ